เป็นความละเอียดแล้วออกเข้าไปโดยลำดับตามขั้นของตนของตนคำว่าโลกกับธรรมนี้คือจอมปราดผู้รู้รอบขอคิดในธรรมทั้งหลายอย่างประจักษ์และสมบูรณ์เต็มที่ในพระไทยคือพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ละองค์แล้วยึงได้ให้นามว่าธรรม มันเป็นคู่เคียมของโลกคำว่าโลกนี้มีทั้งฝ่ายอธรรมอยู่ด้วยมีทั้งธรรมด้วยแทรกอยู่ด้วยกันทั้งหลายจึงมีการแสดงกิริยาชั่วและดีอยู่เป็นประจำเพราะคำว่าโลกมันมีมีได้ทั้งสอง ไฟธรรมก็แสดงออกมาได้ไยอธรรมก็แสดงออกมาได้เหมือนคำว่าธรรมล้วนๆนั้นจะสัมผัสได้จะบก้าใจแลวแสดงได้ไปจับชาพาะใจเท่านั้นใจเป็นผู้แสดงได้ใจเป็นผู้สัมผัสรับรู้ใจเป็นผู้ส่ง เร่งเียกว่าธรรมธรรมนี่แหละที่เป็นพื้นฐานในโลกได้รับความร่มเย็นพอพักผ่อนหรือพอยับยั้งพอมีเกาะมีดอนให้สัตว์ทั้งหลายได้อาศัยพึ่งพิงในเวลาจำเป็นจริงๆก็พอได้เกาะพอได้ยุดเหมือนอย่าง <c oughs> ความแผดเผาของ อธรรมมีมากมีน้อย <c oughs> สแสดงขึ้นภายในกายในจิตของสัตว์โลกแผดเผากายจิตของสัตว์โลกก็ย่อมมีธรรมเป็นเครื่องบรรเทาเป็นเครื่องรักษาเป็นเครื่องพึ่งพิงพอปลดเรื่องหรือบรรเทากันไปได้เป็นระยะระยะหากไม่มีธรรมเลยไม่มีโลกใดที่จะร้อนยิ่งกว่าโลกของสัตว์ ที่ปราศจากธรรมมีแต่โลกล้วนๆแสดงก็ก็คือมีแต่อาธรรมล้วนๆแสดงแผดเผาเหมือนกับว่ามีแต่ไฟอย่างเดียวไม่มีน้ำเป็นเครื่องดับไฟบ้างเลยนั่นะโลกร้อนมากตรงนั้นนี่พูดพอเป็นแนวทางให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายได้โอปัญญิก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 เขตไม่มีแดนเลยนี่คือเรื่องของอธรรมเป็นอย่างนี้นแล้วในระยะนั้นแหลเป็นระยะที่มีความทุกข์ความลำมากมากภ า, ายในจิตใจของสัตว์ของเราระยะใดพอพอเราได้มีความ ร, รู้ภายในอัตในธรรมมีสติ เป็นเครื่องรักษามีด้วยปีป่ัมีปัญญาเป็นเครื่องกลั่นกรองคณิตพิจารณายยนั้นหรือเวลานั้นถ้าเป็นโรค ก, ก็เท่ากับได้ยารักษาหรือบรรเทากันไปได้โดยไับเพราะอยากนี่หมายถึงบุคคลแต่ละคนคือเรานักปฏิบัติแต่ละองค์ละรูปและละ้าหลายนี่ ดูเอาตรงนี้ถ้าเวลาใดสติไม่มีสติล่มลุกคูุครานมากปัญญาหาทางเกิดไม่ได้เลยเพราะกระแสของอิเลียมันพัดมันผันเวลานั้นความทุกข์ภายในจิตใจมากร้อนก็ร้อนมาก ความสายแสความม้าวุ่นขุนัวทุกสิ่งทุกอย่างแล้วรวมลงไปก็เป็นกองทุกข์รวมอยู่ภายในหัวใจดวงใจที่หาสติหาปัญญาเครื่องต้านทานไม่ได้นั่นแหละเพราะกระแสะของเยเลตตามปกติแล้วมีความมุนแรงอยู่โดยลำพังตนเองเสมอนอกจากไม่แสดงผ่าทผลอยู่เรื่อยๆ เ, เท่านั้น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 เพราะอำนาจแห่งธรรมพาให้สงบสัวได้นี่ได้เคยพูดให้บรรดาท่านทั้งหลายฟังเพราะเคยอยู่กันด้วยกันมานานการพูดทั้งนี้พูดเพื่อเป็นคัดติได้ยึดได้ถือเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไม่ได้พูดเพื่อเพื่อความโอ้อวดแต่ประกรันใด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 ทรงประกาศความจริงอันเด่นในพระไทยทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลให้เป็นคติตัวอย่างและเป็นวิธีวิถีทางเดินให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายได้ยึดได้นำไปปฏิบัตินั่นแหละไม่ได้มีการโออวดแม่นเม็ดหินเม็ดทรายเข้าไปแทรกเลยเพราะทํามที่แสดงออกมาและพระไทยที่ มีความมุ่งหวังต่อสัตว์นั้นเป็นพระไทยที่เต็มด้วยเมตตาลุ่นลวนยึงแสดงออกมาด้วยวิธีการใดที่สัตว์โลกจะหรือผู้มา ส, สดับรับฟังแต่และพวกละคณะแต่และบริษัทบริวารจะได้เข้าอกเข้าใจได้เป็นคติเครื่องยึดเหนี่ยวจากพระ อ, องค์ไปพระ อ, องค์ย่อมจะแสดงอุบายวิธีการนั้นๆ <c oughs> เพื่อให้ท่านเหล่านั้นได้ยึด เป็นมักเป็นตอนหรือเป็นคณะคณะไปเพราะฉะนั้นการแสดงของพระพุทธเจ้าจะเป็นวิธีใดก็าตามเช่นการยกพระองค์ขึ้นเป็นจักขีพยานก็าตามจึงไม่มีเรื่องคำว่าโอ้อวดพระองค์โดยเจตนาแฝงอยู่แม่นิดหนึ่งเลยแต่เป็นเรื่องของพระเมตตารุน่นล้วนที่จะ ที่เกิดขึ้นในพระไทยที่เป็นอยู่ในพระไทยว่าทำอย่างไรสัตว์ทั้งหลายจึงจะได้อุบายได้แนวทางหรือเรายื่นมือไปจึงจะจับมือเราได้เพื่อเราจะได้ฉุดได้ลากขึ้นมาจากที่หลงลึกพระองค์จึงได้ใช้อุบายต่างๆเต็มพระสตรีกาลังความสามารถของศาสตาองค์เอกนั่นแหละไม่ว่าศาสตาองค์ใดพระไทยนี้จะเต็มไปด้วยพระเมตตาล้นฟ้าเหลือแผ่นดินไปหมด ไม่มีอะไรเป็นประมาณได้เลยไม่มีอะไรวดัดไม่มีอะไรตวงในพระเมตตาของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั่นแหละการแสดงออกของพระองค์ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จังแสดงออกด้วยลวดลายของสัตว์ราที่เต็มไปด้วยพระเมตตาแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายให้รับเป็นที่พึงพอใจตามสติกําลังความสามารถหรือว่าภาชนะแห่งใจของตนอํานาจวาสนาของตนจะรับได้มากน้อยเท่าไหร ก็ตักตวงไปเต็มสติปัญญาความสามารถของตนนี่ที่เราเกี่ยวข้องกับหมู่คณะเราก็มีอย่างนั้นเหมือนกันเราพูดได้อย่างอ ง, งาอาจกล้าหาญภายในความจริงที่เต็มอยู่ในหัวใจนี้ว่าเวลาล่มลุกคุกคานไม่เป็นท่าเราก็เคยเป็นมาแล้วได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังจนถึง นั่งหายใจเข้าแมวข่าแมวเพราะถูกกิเลสมันย่ำยีตีแหลกไม่มีสติปัญญาใดที่จะโผล่ขึ้นมาต่อสู้กับมันได้แหลกไปหมดถ้ายกถ้าจะยกเป็นข้อเปรียบเทียบก็ยกมีดขึ้นมาถูกมันปัดลงไปมีดขาดสะบั้นลงไปมีดเป็นเหล็กทั้งแทงไม่น่าจะขาดแต่ขาดลงไปเพราะพลังของมันเพราะอำนาจของกิเลสมันเชี่ยวจัดขนาด น, นั้นนี่เวลาเราธรรมะเราอ่อนเปียก ยกอะไรขึ้นมาไม่เป็นท่าเดินจงกรมก็เดินสัดแต่ว่าเท้าก้าวเดินไปเช่นั้นเหมือนกับคนทั้งหลายเขาเดินตามแผ่นดินสถานที่ต่างๆไม่มีมีแปลกอะไรเลยเพราะสติปัญญาถูกมันปัดมันตีออกหมดนั่งกืนน้ําลายอยู่นี่ก็เป็นมาแล้วแต่สําคัญที่ความพยายามไม่ลดละ้าลงมีความท้อถอยน้อยใจ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 วิธีการที่ฝึกทรมานก็หลายแบบหลายฉบับเพราะความอยากรู้อยากเห็นอยากให้จิตมีความสั้ง อ, อกปล่มเย็นอยากให้จิตมีความเฉลียวฉลาดคล่องแคล่วด้วยปัญญาตามครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนเรามาเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตารู้อยู่ประจักษ์ใจว่าโอวาทคาสั่งสอนของท่านนั้นฉลาดแหลมคมมากกระยิมยิ้มย่องฟังในบทใดบทใดไม่เคยเบื่อภายในยจิตใจ เป็นแต่เพียงกิเลสมันไม่ให้โอกาสที่จะดําเนินตนให้เป็นไปตามแถวทําที่ท่านแสดงให้ด้วยพระเมตตานั้นเท่านั้นแม้เช่นั้นก็ไม่หลุดละไม่หยาบวิธีการฝึกอบรมก็หาหลายหลายหาวิธีการหลายด้านหลายทางเช่นอดนอนนี่ก็เคยอดทดลองดูกี่คืนไม่นอนสองพืนสามพืนไม่นอนก็ลองไม่เป็นท่ารู้เจ้าของ คือมันทื่อไปหมดในหัวสมองไม่ทำงาน ส, สติไม่ค่อยดีพอจะจะหลับไม่ดีไม่ถูกก็รู้พอทำทดลองด้วยความตั้งสติจริงๆแต่มันก็ทื่อไปได้บาตทั้งที่เราตั้งสติด้วยวิธีการไม่นอนเดินนั่งนั่งมันก็จะหลับเดินก็ขอโซซโซเสขออุง้งหน่องขอจะจะหลับไม่เป็นท่าอ๋อนี่วิธีนี้ไม่เป็นเรื่อง มันเปไ็น่าตแล้วสำหรับเรางด เ, เดินมากๆดีหน่อยแต่สุดท้ายก็มาอยู่ที่ผ่อนอาหารก้าวเข้าสู่ความอดอาหารเพราะผ่อนเข้าไปใจก็รู้สึกว่ามีความเบาบางความคึกความคนองของร่างกายที่ดิดผึงผังผึ้งผังอยู่ภายในตัว พรอมที่จะรับสิ่งที่เสริมมาจากใจได้แก่ราคะตัณหาอยู่ตลอดเวลาก็เบาลงในขณะที่ผ่อนอาหารและอดอาหารเพราะกําลังของกิเลสตัณหาอสาวะพานากิจใจไม่มีมากเพราะร่างกายก่อนลงไปไม่มีเครื่องเสริมต่อันก็เสริมกันไม่ได้ทีนี้สติปัญญาก็ค่อยเสริมตัวกันขึ้นมาได้ พยายามฝึกฝนอบรมหลายครั้งหลายผนก็จับเมื่อนได้จับได้ถึงขนาดที่ว่าในเวลาอดอาหารกี่วันก็ตามเจ็แปดวันเก้าวันก็ตามจนถึงขนาดที่ว่าสติไม่เผลอเลยในเวลาอดนั้นลึกละลึกอะไรทันหมดทันหมดแต่พอมากลับมาฉันไม่กี่วันมันก็ทันบ้างไม่ทันบ้างสุดท้ายก็ไม่ทันนี่เราก็รู้แต่ก็มีวิธีนี้เท่านั้นที่จะพอ บำบัดเรื่องพูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็คือว่าคนอยู่ในวัยอย่างวัยเราเราท่านท่นนี้ราคาตันหามักจะแสดงความบุญแรงมากยิ่งกว่ากิเลสประเภทอื่นนี่จึงต้องได้ใช้ความอดความทนความอดผ่อนอาหารลงไปเรื่อยๆเพื่อตัดกําลังของราคาตันหาที่จะอาศัยร่างกายนี้เป็นเครื่องเสริมอีกเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยของจิต ทันสมัยนี่ทันสมัยของกิเลสอดไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้อุบายอีกก็ค่อยสมบตัวเข้าไปสติปัญญาเราใช้เสมอแต่สำหรับการอดนี่เพียงเป็นอุบายอั น, น, นหนึ่งแต่เราไม่ได้เอาเพราะการอดอาหารเอามรักเอาผลเอาสมาธิสมาบัติ เอาปัญญาเอาวิมุตติพ้นไม่ได้เอาจากการอดอาหารเอาด้วย ส, สติปัญญาศรัทธาความเพียรซึ่งอาศัยวิธีการแห่งการอดอาหารนี้เป็นปุ๋ยช่วยเท่าแต่อุบายของสติปัญญานั้นเท่านั้นอก็สุดท้ายมันก็ได้ประโยชน์ขึ้นมาโดยลําดับลำดาเห็นเห็นได้ชัดภายในตัวเองจากนั้นก็ก้าวที่ที่มันดิ้นมันเดื จนไม่มีวันมีคืนยืนเดินนั่งนอนไม่ว่ามันติดตลอดเวลานั้นสงบตัวลงไปเพราะไม่มีกําลังเสริมเนื่องจากตั ด, ตดปัญหาหรือตัดกําลังของมันลงด้วยวิธีการอย่างนี้เพราะการอดอาหารย่อมไม่ง่วงเหงาหขอานอนอดไปหลายวันเท่าไหร่ความง่วงเข้ า, ขานอนก็มีน้อยน้อยลงน้อยลงหลับชั่วโมงสองชั่วโมงมันพอแล้วทั้งคนืนนี่ก็มีแต่เรื่องความเพียรมีแต่เรื่องสติปัญญาตั้งตัวอยู่เรื่อยๆเรื่อย การพิจารณาทางด้านปัญญาเป็นของสำคัญที่จะทำให้จิตก้าวออกสู่ทำความแยียบคายไปได้โดยลิดับสมาธิเมื่อปรากฏขึ้นมาก็ทำให้จิตสงบร่มเย็นไม่วุ่นวายสายแสจิตอิ่มตัวเหมือนเรารับทานอิม่มสบายจิตอิ่มตัวก็คือว่าอิ่มอารมณ์ของกิเลสตัณหาสารพิเศษต่างๆไม่ไม่ไปเกี่ยวเนื่องจากธรรม ได้บรรจุเข้าสู่จิตคือสมาธิธรรมสมถะธรรมบรรจุเข้าสู่ใจใจย่อมมีความสงบเมื่อใจได้รับความสงบได้อาหารคือธรรมมารตแล้วย่อมเย็นสบายนั่นละ่ะนำออกพิณิพิจารณาคำว่าพิจารณาพิจารณาอย่างไรอันนี้เราก็ได้ยินแต่ชื่อแต่ก่อนคำว่าสมาธิก็มีแต่ครูอาจารย์สอนให้ฟังสอนอยู่ตลอดเวลา้เราก็ทำให้ เป็นสมาธิก็เป็นไปนไม่ได้มีแต่ความพุ้งสานวุ่นวุ่นวายแทนสมาธิมีแต่ความทุกข์ความระหาสแทนความสุขสุดท้ายมันก็ปรากฏขึ้นมาดังที่กล่าวนี่พอจากเลยร่วมลรุกคูหารมาก็เป็นความสงบความเย็นจิตใจพอได้มีที่ตรงที่วางเพราะจิตไม่ไม่ว้าวุ่นขุ่นมัวตลอดเวลาเหมือนฟุตบอลที่ถูกเตะติ้งอยู่ตลอดย่อมมีพักฉะนั้นให้ใช้ปัญญา พราะเราใช้ปัญญาการใช้ปัญญานี้แล้วแต่อุบายวิธีของแต่ละรลายละเยดเราจะถืออะไรถือครูทีอ่อาจารย์ถืออุบายของท่านผู้ใดามาเป็นแบบโดยเฉพาะไม่ได้ถือก็ถืออุบายวิธีการที่เราจะอํานํามาใช้โดยเฉพาะเราให้เป็นเทคนิคอุบายของตนเองนั่นแหละเป็นของสําคัญควรจะนําออกมาใช้เอาบายพี่นี้พิ่เจรณาเรื่องก้นสกลนการนี้เป็นของสําคัญมากสําหรับจิตที่อยู่ในขั้น ยาขั้นที่จะไวต่อราคาโทษะนี่ราคาตันหานี่ร่างกายเป็นของสำคัญพิจารณาภายนอกก็ตามภายในยก็ตา่างพิจารณาภายได้อุบายต่างๆหาวิธีการที่ใจของเราที่จะสะ ด, ดุดด้วยปัญญาเมื่อปัญญาแย่เข้าไปตรงไหนพิจารณาอุบายใดอะไรจิตเกิดความ ส, ดสมลดสาเร็จขึ้นมานั่นเป็นอุบายที่ถูกต้องแต่อุบายของปัญญาเราจะนำมาใช้ให้เป็นอันเดียวแบบ เดียวฉบับดียวดังที่เราเคยทําได้รับผลมาแล้วนั้นไม่ได้มันต้องผิดขึ้นมาเรื่อยๆเป็นปัจจุบันอยู่ยเสมอเรื่องปัญญาต้องให้เป็นปัจจุบันเราจะไปะคิดคว่าอดีตที่เคยเป็นมาแล้วได้ผลมาแล้วมีความเงียบขรายอย่างนั้นอย่างนั้นจะมาทําให้เป็นความเงียบขายในวงปัจจุบันโดยยึดนั้นมาเป็นสัญญาไม่ได้มันกลายเป็นสัญญาไเสียเรียกว่าเป็นปริยตัตไปเลยมันไม่เป็นปฏิบัติย่นเข้ามาสู่ปัจจุบัน อุบายวิธีการจะตินิพพิจารณาสติปัญญาให้เป็นขึ้นภายในตัวเองหาอุบายคิดหาใช่ไหมอนิจจังก็ให้จิตมุ่งต่ อ, อนิจจังจริงๆพิจารนาดูแต่แต่รัฐสภาพให้มันเป็นความแปรสภาพเพราะหลักธรรมชาติมันแปรอยู่แล้วทุกขังอนาตตาเหมือนกันเรื่องอริยภาพอริยพังนี้เป็นของสํำคัญมากอิตอยู่ในขั้นนี้ควรจะเจริญอริยภาพกรรมฐานปฏิปุรุโสภกเอาไปยังมิจพิมา เราอยา ก, กําหนดเวลาเวลาอย่า ก, กําหนดเที่ยวของการพิจารณาว่าได้เท่านั้นเที่ยวแถวนี้เที่ยวนั่นเป็นการคิดการคาดคะเนการเดาการหมายเอาไม่ใช่ทางของปฏิบัติของผู้ปฏิบัติไม่ใช่วิธีทางแห่งการปฏิบัติให้ใช้ในวงปัจจุบันสติปัญญาให้เกิดขึ้นในวงปัจจุบันจะเป็นเรื่องอชุภะใดก็ดีหรืออนิจจังทุกขังอัตตาใดก็ตาม ให้เกิดขึ้นในปัจจุบันของตัวเองของตัวเองเราจะพิจารณารูปนอกก็ได้รูปในก็ได้ไม่สําคัญเพราะสมุทัยเป็นมาได้ทั้งข้างนอกข้งนางในแต่สําคัญมันหมายว่าสวยว่า ง, งามตระหนึ่งนั่นแหละสมุทัยเกิดขึ้นที่ตรงนั้นจะเป็นนอกก็าตามในก็าตามสําคัญตนว่าสวยว่า ง, งามก็เกิดสมุทัยขึ้นมาที่นี่สําคัญทั้งนอกว่าสวยว่า ง, งามมันน่ารักให้ชอบใจก็เป็นสมุทัยขึ้นที่นั่นเพราะฉะนั้นการพิจารณาด้วยมรคเพื่อให้เป็นมรค โดยทางสติปัญญาว่าสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งนั้นแปลสภาพสิ่งนั้นเป็นกองทุกข์สิ่งนั้นเป็นกองอิจังเป็นทุกขังเป็นอนาถาสิ่งนั้นเป็นธาตุเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟพื้นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่าเป็นหญิงเป็นชายว่าเป็นของสวยงามไปทําไมนี่คือเรื่องของมรรคเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายผลจิตซ้ำซ้ำซากๆไม่ให้จิตไปไหนให้ยังลงสู่มรรคทางเดินเพื่อทะลุอุ่มในความจริงทั้งหลายว่าเป็นธาตุแท้ เป็นอนิจจังแท้เป็นทุกขังแท้เป็นหน้าตาแท้แห่งธาตุแห่งขันของเราและธาตุขันของใครก็ตามยึดย่อมจะปลอดโปร่งโล่งไปโดยลําดับลำดับ น, นี่คืออุบายวิธีแห่งการพิจารณาทางด้านปัญญาสาคัญที่ว่าเรื่องของปัญญาต้องคิดต้องค้งคนขึ้นมาให้เป็นปัจจุบันโดยลําพังลําพังโดยเฉพาะเฉพาะเราจะไปยึดอดีตเข้ามาเป็นวงปัจจุบันนั้นมันไม่ได้นอกจากจะเป็นวงปัจจุบันเป็นปัจจุบันของตัวเอง เราไปคิดแต่ขั้นมาให้เป็นอย่างเมื่อวานนี่เป็นอย่างวันซืนนี้ไม่ได้นั่นไม่ถูกหากว่าจะเป็นตรง ก, รกันก็ตามก็ให้ตรงในหลักธรรมชาติในหลักปัจจุบันมันตรงกันเองก็มันเป็นอันนั้นไม่ผิดคือเป็นปัจจุบันโดยแท้นี่หลักสาคัญในการพิจารณา เ, นนะเมื่อถึงก้าเข้ามาถึงขั้นปัญญาแล้วความร่้ลูกคูข่ขานนั้นมันเริ่มหายไปจางไปแล้วนะอืเราก็ทราบหนาทําไมจะไม่ทราบ ความลงลูกกูขานเพราะอําอนาจของกิเลสมันเตะมันถีบมันยันไม่ใช่อะไระนี่ความสงบตัวเพราะการชําระสาสางความเตะความดันความกบกวนของกิเลสด้วยอดุด้วยธรรมด้วยสมาธิธรรมวิริยะวิริยะธรรม <c oughs> แล้วปัญญาธรรมนี่ออกด้วยกำจัดกันไปโดยลำดับลำดับสิ่งนี้ก็สงบตัวลงไปสงบตัวลงไปใจก็มีความกล้าหาญชาญนัยขึ้นมาเย่งพิจานาะ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 ให้มันเห็นด้วยการปฏิบัติของเราเมื่อปรากฏว่าอ๋อสติเป็นอย่างนี้ปัญญาเป็นอย่างนี้คัมมาอนิจจังเป็นอย่างนี้ทุกขังก็เป็นอย่างนี้อนัตตาเป็นอย่างนี้อสุภสุภังเป็นอย่างนี้มันเห็นในใจของเรามมนถึงจะถอนกิเลสได้เพียงคาดเพียงหมายเฉยเพียงบันะบันเทาไปนั้นเดี๋ยวก็กำเริบเกิดษาขึมาอีกไม่เป็นธาตุเป็นทางอะไรให้มันเห็นประจังประจักษ์นี่สิเมื่อเห็นประจักษ์แล้วไม่ต้องบอกมันจะหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาเจ็ชั้นก็ตามเถอะเรื่องของกิเลสตัณหาน่ะทังไปหมด มันจะทนสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี้ไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เพียรพาวิโตภพรุรีกัโตทําให้มากเจริญให้มากอย่าลดอยาละยาไปอ้างการอ้างเวลาอ้างกสถานที่หรือเท่านั้นเที่ยวเท่านี้เที่ยวนั้นไม่ใช่เรื่องของธรรมเป็นเรื่องของกิเลสหลอกให้เราหลงให้เราเพลินยิ่มอยู่ในความสําคัญของตนเท่านั้นไม่ใช่เป็นความกินอะไรเลยพิจารณานี่พูดถึงเรื่องความรกรู้ปผ่าน มันล้มมาสะก่อนนั่นแหละให้ทราบไว้ว่าล้มได้ลุกได้ถ้ายังมีความเพียรอยู่แล้วต้องลุกได้นั่นแน่แล้วที่นี่ก็เลียงไกลขึ้นไปเรื่อยๆเขี้ยวชันเรื่อยๆคล่องตัวเรื่อยๆชาติปัญญาจนกลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติทั้งนี่มีสตวล้อนอยู่ในหัวใจเราผู้มีความเพียรเนี่ยไม่อยู่ไหนนะอย่าไปคาดอดีตว่ามีอยู่ กับพระบุริเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นั้นสาวกองค์นั้นองค์นั้นในครั้งนั้นครั้งนั้นสถานที่นั้นที่นั้นนั่นเป็นเรื่องของท่านเป็นทุกข์ของท่านเป็นสมุทัยของท่านเป็นมรรคของท่านเป็นนิโรธของท่านเป็นมรรคผลนิพพานของท่านต่างหากนี่เป็นของเราพิจารณาอยู่นี่ทกเกิดขึ้นภายในใจเพราะสมุทัยเป็นเครื่องผักเครื่องดันเป็นเครื่องก่อเหตุขึ้นมาพราะอยู่ในใจของเหล่านี้ตัวสมุทยัยความเฟ่งเฟอ้เอเหอือห์กความดุงเนื้อดืงตัวเป็นต้นเขาอยู่ในใจของเหล่านี้ มากสต claro ิปัญญาจะทาความเพียนหงุดกันลงไปฟาดฟันหันแหลกกันลงไปที่ก็เป็นมากของเราอยู่ในใจของเราทุกดับไปโดยลําดับพวามหน้าแห่งสติปัญญาจะทาความเพียนก็เป็นนิโรธคือความดับทุกข์ของเราเองนี่เป็นสมบัติของเราโดยแท้ดูตรงนี้อย่าไปดูที่อื่นนะนั่งปฏิบัติดูสดสดร้อนๆอย่างเนี้ยกิเลสก็มีอยู่สดสดร้อนๆประกาศท้าทายแล้วท้าทายตลอดเวลาท้าทายเราแล้วสติปัญญาเมื่อเรา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 โดยอ้างว่าเนี่ยเราอำนาจวาสนาน้อยเราเป็นคนบาปหนาสาหูไปมีนิสัยน้อยวาสนาน้อยเป็นคนทึบคนล้าสมัยล้วก็ทิ้งไปให้อดีตอนาคตยุ่งไปหมดแล้วทิ้งไปกับหนุนคัางพุทธกาลบ้างอดีตล่วงมาแล้วเป็นยังไงยัสมัยปัจจุบันนี้เป็นยังไงงไงความหมดหวังเลยมาอยู่กับเราความหวัง กิเลสกินหมดเลยไม่มีความหมดหวังกิเลสยัดเข้ามาใส่เราส่วนความเรื่องที่มันจะกินมันกินไปแล้วเอาส่วนทุกข์มันยัดเข้ามาใส่ปากของเรานี่ใส่ท้องใส่กินใส่ใจของเราหมดหวังอะไรก็ก้าวขาไม่ออกคือปฏิบัติก็ก้าวขาไม่ออกเลยหมดหวังหมดหวังนีแ่แหละคือถูกกิเลสมันต้มมาสักอย่างเปื่อยแล้วทั้งๆ้งที่ยังไม่ตายตถ้าถ้าคาดถ้าหมายอย่างนั้น นี่เป็นทางเดินของกิเลสทั้งนั้นมันผักมันนันออกนอกรูนอกทางที Ora, ่เราไม่รู้สิพระองค์จ mm ึงบอกให้ทราบว่าน for so ี่เป็นอุบายวิธีการของกิเลสมันเคยหลอกเคยต้มตุ๋นโลกมานานแสนั้นแล้วเราก็เป็นคนหนึ่งในโลกอย่าให้ถูกกิเลสต้มตุ๋นตั้งๆงที่มีธรรมคาสอนเมื่อเจ้ามีครูมีอาจารย์คอยนําสั่งสอนยื่นเครื่องมือให้อยู่ตลอดเวลาฟันมันลงไปด้วยสติด้วยปัญญากิเลสไม่ใช่ไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ํา ไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตไม่ใช่การสถานที่ใดๆทั้งนั้นแต่กิเลสคือกิเลสฝังอยู่ที่หัวใจในวงปัจจุบันนี้ธรรมก็เหมือนกันไม่ใช่ดินน้านลมไฟเช่นเดียวกันธรรมสติธรรมก็เป็นเครื่องฆ่ากิเลสอยู่ในหัวใจเหล่านี้ปัญญาธรรมก็เป็นเครื่องฆ่ากิเลสอยู่ในหัวใจเหล่านี้ความเปลี่ยนทุกด้านเป็นเครื่องทั้งหารกิเลสอยู่ในหัวใจเหล่านี้หมุน ล, ลงไปที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ใดสอนสอนลงที่ตรงนี้แหละไม่ที่อื่นเรื่อง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 มีทำเป็นเครื่องแต่งกันอยู่เป็นเครื่องต้านทานกันอยู่คนเราเกิดมันก็ยังมีทางที่จะเกิดดีเกิเช่นอย่างเกิดเป็นเทพบุตรเทวดาเป็นมนุษย์ผู้มีอานาจศ า, า, าสานาลิทชาติแดนอุภาพโดยความเป็นธรรมมีสมบัติพึ่งทานบริวารโดยความเป็นธรรมเป็นเทวดาอินทมเป็นไปได้สุดท้ายก็เมื่อบุญมีมากคุณกุศลมีมากก็หนุนเข้าไปจนมาทั่งถึงนิพพานพ้นทุกไปได้เลยนี่อานาจของธรรมเป็นเช่นนี้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 พอจะกล้าเข้ามาสูนี้มันหลอกมนุษย์ีกแล้วหลอกไปนุษน์อีกแล้วไม่เคยให้อยู่อยู่ในความอิ่มพอให้มีความสุขเพราะความอิ่มพอเพราะกิเลสจัดการให้กิเลสแต่งให้ไม่มีกิเลสสร้างบ้านสร้างเรือนกิเลสสร้างสมบัติเงินทองเครื่องของกิเลสสร้รางรูปสร้างเสียงสร้างกลิ่นสร้างรถเครื่องสัมผัสต่างๆให้อยู่ในความพอดีให้มนุษย์ทั้งหลายได้เสเวรความสุขความสบายตลอดไปไม่เคยมี ขึ้นชั่วขีดเลียนแล้วจะเอาความหิวความโหยความทรมานยัดเข้าไปแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปให้ติ้งไปตลอดเวลาด้วยความหิวความโหยความกระหายมีเงินเป็นล้านล้านก็ตามตัความหิวความหายจะมันจะแทรกเข้าไปเป็นกองใหญ่เท่านั้นแ่ะเท่ากองเงินถ้าได้กองอีกกองหนึ่งเท่านี้จะพอดีแล้วมาอีกกองหนึ่งถ้าได้สองกองอีกเท่านี้จะพอดีจะพอดีด้วยแต่ไม่เคยพอดีนักนี่แหละท่านนั่นที่ต้นหาสมานาทีความหิวความโหยความพยทยานอย่ากอันใดจะเกิน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 เพามันเคยมีอันนี้มันไม่เคยมีจะเอาอะไรมาเจอฮะก็มีแต่ถูกมันต้มจมไปเรื่อยจมไปเรื่อยธรรมะประกาศกังวลอยู่ตลอดเวลาเราไม่คิดไม่อ่านไม่เชื่อแล้วเราจะทํำยังไงเอาสร้างความหมังมาจากไหนสร้างกองมาจากเกีติไม่มีทางต้องสร้างความหมังจากธรรมธรรมนี่เคยให้ความหมังนแก่โลกมาม า, มากต่อมากแล้วพ้นทุกข์ก็เพราะธรรมมีความสุขความสบายก็เพราะธรรมฟังแต่ว่าทำทำําไม่เคยทําพูดถึงผู้ใดให้มีความร่มจมทิพายไปบ้างเลยมีแต่ความส่งเส ร, ริม ให้เป็นที่ดีมงคลเป็นความสุขความสบายทั้งปัจจบุบันอนาคตตลอดไปทําเป็นเช่นนั้นสร้างความมังให้แก่คนมามากขนาดไหนแล้วทําแล้วกิเลสมันสร้างความมุดหวังให้คนมามากเท่าไหร่แล้วเอามาเทียบกันเราเป็นนักปฏิบัติมาพิจารณาสติปัญญามีอยู่หูงต้มแงจงกินไม่ได้เอาทําไมจะเอามาไม่เอามาใช้พระพุทธเจ้าท่านใช้จนได้เป็นศาสดาเอกของโลกสาวกทั้งหลายใช้จนได้พ้นจากโลกนั่นใช้สติปัญญาใช้สตางค์เปลี่ยนเอากิเลสให้กิเลสพาใช้มันได้เรื่องอะไรอ มันพาให้จมมากกว่ามั่งแล้วทําไมไม่เข็ดไม่ล่ะมนุษย์เราไม่เฉพาะอย่างยิ่งนักบวชนักปฏิบัติเราไม่เข็ดใครจะเข็ดแต่ให้ตาศีรษาเขาไม่เคยสนใจกับอะไรกับทำอะไรเอาอะไรมาเข็ดความรู้สึกในทางธรรมนิดหนึ่งก็ไม่ปรากฏเจ้าอะไรมาเข็ดผู้ที่สํานึกในธรรมสานึกในโทษพิจิตรพิจาราย้อนหน้าย้อนหลังในตัวเองโดยอดโดยธรรมนี่เท่านั้นเป็นผู้ที่จะเห็นโทษเห็นภัยเป็นผู้ที่จะละถอดถอนได้บรรดาเส้นหนามที่มีอยู่ภายในจิตใจ การขอใหทุกท่านตั้งอกตั้งใจพิพจารณาผมนั่นเป็นห่วงพวกท่านทั้งหลายมากทีเดียวไม่ใช่มาพูดด้วยความยินดูถูกเหยียดหยามห่วงจริงๆรับความรับด้บวยความเมตตาสงสารไม่รับด้บวยความอะไรด้วยความอวดอํานาจศาสนายอะย่าง่อกนั้นไม่มียอ่อเรียกวา่าเรายันได้เลยร้อยทั้งร้อยไม่มีอะไรบินมีแต่ความเมตตาสงสารวั้งนั้นเมื่อการมา ป, ปฏิบัติบัิบัติแล้วขอจงให้เห็นใจเราผู้อบรมแนะนําสั่งสอนว่าเจตนามีต่อพวกท่านขนาดไหน แล้วก็ น, นําอันนี้เข้าไปพิจารณาเจ้าตัวเองให้ตัวเองมีความเมตตาสงสารตนเองเห็นแก่ตัวเองโดยอาจโดยธรรมมากเช่นเดียวครูบาอาจารย์ท่านมอบให้หรือยิ่งกว่านั้นจนกลายเป็นสมบัติล้วนๆของตนขึ้นมาภายในใจิตใจระหว่างทำกับใจกลายเป็นหนึ่งเหมือนเดียวกันแล้วเป็นธรรมตั้งแต่ภายในใจแล้วนั่นแหละเป็นสมบัติที่ท่านทั้งหลายจะพึงได้รับเองโดยที่ครูบาอาจารย์หรือใครๆก็ตามไม่ได้ไปแบ่งสรรปัจจุบันแ้วเอ า, เอาได้เอาด้วยเลยแม้แต่นิดเดียวนั่นเป็นสมบัติของเรา มีเวลาเรา ม, ามาศึกษาให้ตั้งอกตั้งใจทำให้จริงให้จังนักปฏิบัติเวลานี้ร้อยๆลอยลงมากแล้วครูบาอาจารย์ปีหนึ่งตายสององค์3 อ, องค์ก็มีแล้วเห็นไหมเมื่อตอนตอนต้นต้ น, น, นปีนี้ก็หลวงปูค่คาดีตอน ป, ปลายปีนี้ก็หลวงปู่แหวนมีแต่เพชรน้ำหนึ่งตั้งนั้นถ้าเป็นขามคุตการน้าจะพูดว่าอย่างไงถ้าไม่ใช่ว่าเป็นพระหารจะพูดว่าอะไร นอกจากพวกหูหวกตาบอดมันไม่เคยสนใจกับการทำเท่านั้นมันจึงจะขยักขยแยงในคำว่าอาหารอาหารมันจะดินล้มดินตายโดยความกระเสือกกระสนเพราะอํานาจแห่งชีวิตสรหาเท่านั้นมันสนใจไป น, นั้นเท่านั้นพวกนั้นผู้สนใจในธรรมฟังว่าอหารหันต์นี่ทำไมจะไม่ขยิบยิ้มย่องล่ะเ อ, อพระพุทธเจ้าเป็นองค์เช่นไหนที่เป็นอหรหันต์เป็นาศาสนาของโลกเป็นองค์เช่นไหนสาวกทั้งหลายเป็นองค์เช่นไหนเป็นตัวเสนีย์จันไรของโลกหรือถึงจะพูดถึงเรื่องพระอรหันต์พูด ของผู้ปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมบ้างไม่ได้มันเป็นอะไรทําไม่ใช่จะเคารพกิเลสจจนไม่มีตับไม่มีผงให้มันกินให้มันยากเดียวเอ้าฟังให้ถึงใจที่ท่างทั้งหลายกิเลสมันเอาเรามาเอาอย่างถึงใจทําไมเราจะเอามันเอาอย่างถึงใจบ้างไม่ได้เอแต่กิเลสมันเอาเอาเราอย่างถึงใจมันถึงจริงจริงมันเป็นกิเลสทุกประเภทเป็นความโกรธความขิจฉช้าปัาบัติราคาจอมเรียนความเครียดความแค้นแต่เราเอามันสู้มันไม่มีเครียดไม่ีแค้นเป็นธรรมนักธรรมะรุ่นดวง เให้เห็นกันพี่คุณค่าของกิเลสคุณค่าของธรรมมันต่างกันยังไง้นหัวใจเราดวงเดียวนี่ให้ชัดเห็ยหมดไปหมดไปมันอดคิดไม่ได้นะผมก็ดีหัวใจมีอยู่ทำไมจะไม่คิดแต่ก่อนกูบาอาจารย์มีหลายท่านองคอง์นั้นก็เฉลี่ยเยียจงังกันไปตามอัธยาแสายของตนจะไปหากูบาอาจารย์ไหนก็ไปเพราะเป็นที่แน่ใจแน่ใจ ด, ด้วยกันทั้งนั้นบรรดากูบาอาจารย์ที่ให้คำแนะนำคำสอ น, น, นตลอดการพาดํ า, น า, นานเนินเรไม่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 <Cornell. S 2> พอดีพอดีพอดีกับครูอาจารย์ที่จะรับมีที่นี่หมดไปหมดไปทําไงไม่กี่ปีมาแล้วครูบาอาจารย์องค์วิเศษดีโสเป็นทองทั้งแท่งตั้งแท่งหรือว่าเพชรน้ำหนึ่งจะหมดไปหมดไปจนกระนั่งไม่มีอะไรเหลือแล้วทําำทงไงเราจะไม่ตื่นเนื้อตื่นตัวสร้างตัวของเราให้มันเป็นอย่างนั้นบ้างเหรอเวลาอยู่กับครูบาอาจารย์เอาให้จริงจังจริงเด้มันจะเป็นยังไงให้ได้ทํานี้ได้ถึงใจดูดิจะเป็นยังไง อยู่กับใครก็มั น, มนไม่สนิทใจล่ะให้มันอยู่กับหัวใจเราเนี่ยสนิทใจมากทีเดียวตายใจเลย ห, หมดเออมเท่านั้นพอนนครูบาอาจารย์ก็สาธุยกไว้ให้ยึดให้เกาะท่านเหมือนอย่างตะก่อนไม่เกาะแต่เรื่องความเห็นบุญเห็นคุณนั้นเป็นมหาการญะยุกตเวทีหละไม่ต้องบอกเพราะนี่เป็นหลักธรรมชาติเมื่อจิตได้ถึงขั้นแห่งความบริสุทธิ์แล้วต้องเป็นมหากตัญญยุมหากตเวทีทันทีเลยอชวนที่จะไปเกาะไปเกี่ยวเป็นหน่วงไปเหนียวท่านเหมือนอย่างตะก่อนเหมือนเด็กที่กำลังดื่มนมแม่นั้นไม่เป็น เรื่องเห็นคุณของครูบาอาจารย์นั้นยกไว้เลยทีเดียวคุณพระพุทธเาธรรมพระสงค์คุณรรครูบาอาจารย์นั้นยกไว ม, มีอะไรเทียบเนียงใจของพระหลานที่เห็นคุณเพราะใจของพระหลานเห็นคุณนั้นเป็นใจล้นลนไม่มียี่เหลือยมเขาไปเครื่อไปแฝงไปคัดค้านต่างทานบ้างเลย่เอาให้มันเห็นที่หัวใจของเราท่านสอนสอนตรงนี้จุดนี้ทางนั้นทางนั้ น, นายาเห็นอะไรเป็นของประเยชน์ของอาจารย์เราเคยกิ่งเกือดล้มตายกับสิ่งเหล่านี้มานานแสนนานนั่นแหละ โลกธรรมแปดมันดีอะไรพี่นาสิมีราบเสริมลาบมีโยตเสริมโยต์นินทาเสริมเสริมฉุกทุกแน่ทังสิมันก็มีอยู่เต็มหัวใจในการในใจของเราอยู่แล้วไม่มีใครมานินทาสนเสริญโลกธรรมแปดมันก็เต็มหัวใจของเราอยู่แล้วแล้วตื่นอะไรเอาทําให้สังหาถึงนี้ให้มันแหลกแกระจายหมดให้เหลือแต่ทาทั้งแท่งอยู่ที่จะเป็นยังไงนินทาสนเสริญมีไหมโลกธรรมแปดมีไหมมันไม่ได้มีอะไรมีแต่ความพอเลยอดีตไม่มีอนาคตไม่มี ความบังอย่างนั้นอย่างนี้หมดเพราะสร้างไม่เต็มที่แล้วเรียกว่าเต็มแล้วความหมังก็สมบุนแล้วหมดไม่มีอะไรที่จะมาเกาะเกี่ยวนั่นน่ะท่านจึงไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีอะไรนี่เรื่หลักธรรมชาติดูตามหลักธรรมชาติถึงการที่จะควรไปนัาไปไม่หึงไม่หวงไม่ห่วงไม่เสียดายเสียดายมาอะไรดินน้ำลมไฟก็ทราบอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่ตายนี่คืออะไรนั่นคืออะไรในตัวของเราเองและสิ่งภายนอกที่เกี่ยวข้องกับเรามันก็สภาพอเดียวกัน แ้วตื่นอะไรนี่กเรียวกว่าปัญญารอบตัวเมื่อรอบตัวจนกรทั่งรอบใจแล้วมันก็หมดปัญหาโดยประการทั้งปวงขอให้ทุกท่านนำมาปฏิบัติอะไรนี้ก็รู้สึกเหนื่อยนะท่านอะไรที่บวชใหมนะ่น่ะชื่ อ, อยืนถามเรื่อยชื่ อ, อจำไม่ได้จ ะ, ร, ะจรุนเหรอแล้วเป็นไงฟังธรรมะวันนี้ใจมันสงบดีสงบไห ม, มไหอืม เวลาฟังให้จิตรู้อยู่กับตัวเนี่ยแล้วธรรมะถ้ากระแสของธรรมจะเข้ามาเข้ามาจะรับทราบกับจิตติดต่อเรื่ อ, อยเดินไปเลยแล้วจิตก็สงุกในขณะ ฟ, ฟังฟังธรรมท่านพูดถึงอานิสงส์ในการาฟังธรรมมีห้าอย่างการาฟังธรรมจะไ ด, จะได้จะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังสิ่งที่ได้ฟังแล้วจะทําความแจ้งแจ้งได้จะทําความเมตตุถูกต้องได้ แล้วอะไรกี่ผู้ฟังย่มผ่องใสนี่นิมแม่ไม่ทราบได้กี่ข้อข้อมันตั้งแต่นักทําตีมามันจะไปเหลืออะไรวะคือผู้ฟังทำยอดได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินในฟังสองสิ่งที่เคยยินฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจจะได้เข้าใจแจ่มแจ้งมาสามจะบันเท่าคํามสงสจะได้สี่ทำความเห็นได้ถูกต้องได้ห้กี่ผู้ฟังย่อมผ่องใสหนักอันนี้ ทำประเด็นี่ถูกต้องได้นี่ถ้าเราก็มีความเห็นอะไรเราแค่ละลายหรือไม่สนิทอยู่กับอะไรเนทําเนี่ยใดเวลาครูวายจันพูดไปทังไปมันก็เข้าใจจิตผ่องใสเลยคือจิตมันสงบมันก็ผ่องใสตรงนั้นทําอํานาจของทำกระแสของทำกล่องเรีอกว่าทาละล้างอยู่ตลอดมันก็จิตก็ผ่องใสเย็นสบายนั่นอรนิสโองการฟังธรรม มันบอกว่ามีห้าอย่างเศรษกิจปร่งใสนั้นสําคัญเด่นชัดหล่ะผมุ่นคงตามความรู้สึกมันความมันติดมันพันมันเกาะมันซึ้งในโอวาทของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มันเนี่ผมยังไม่เห็นที่ไหนอ่ะอุทิศเพเหมือนอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มันเพราะนั่นลำต้องจะพูดว่าทิฏฐิมันต้องทิฏฐิสูง ถ้าเป็นหูยิ่งกว่าหูของแม่อีกบางมั น, มนมเวลาเป็นร่วงถ้าเวลาท่นร่วงไปแล้วถ้าขนาดที่นั่งอยู่ข้างศพท่านนั่นเน่ะท่าเรือนเรือนล่างของท่านที่หาวิญญาณไม่ได้แล้วเน่ยนั่งข้างขันนี่สัมผัสอีดทรายีไปไหนไม่เกาะเลยนั่นที่จึได้ใช้ความรำพึงเยอะจะมากมายตามที่เขียนไว้นั่น เพราะความลงในท่านเท่านั้นันท่านพูดตรงไหนปัญหาที่ข้ามาไห้ปัะหาท่านที่แรกฟังเทศทไม่ท่านไม่ออกนะผมอมแบกไปปริยตัติไปก็แบ ก, กไปกิเลสไปเราตอนนั้นจิตมันเสื่อมไปจนหมดไม่มีอะไรเหลือมีแต่ความฟุ้งซ่านเป็นเืนเินึฟปัญหาท่านมันจะ อ, อะไรมาฟังออกหรือมีแต่กิเลสมันปิดมันกั้นไป ห, หมดไม่หาช่องทางที่ทัน ท, ทับที่ทําจะไหลเข้ามาไม่ได้เลยแล้วจะอะไรมาเข้าใจ มันดีจริงมันดีมันไม่เคยตำหนิท่านนิดหนึ่งก็มี น, นี่นเห็นไหมที่นี่หว่าบ้าจะของสมงเมืองถึงกูเถอะนะเพราะนิสัยเรามันเด็ดมันจริงนเง้นไม่มีอะไรเสียหายนี่คือพูดของเราก็เพื่อดีสําหรับเรานี่ไม่จะมีอะไรเสียหายมึงรู้ไหมไหมึงรู้ไหมที่เหนืหอแต่ก่อนอยู่เทศฟังเทศสมเด็จสุนทรานมันก็เคยฟังมาพราะว่าเขาเข้าใจที่นี่เทศพ่อแม่ครูอาญาณนี้ชื่อเสียงโ ด, ด่งดังทั่วประเทศไทยแล้วไม่เข้าใจรู้ไหมที่เหนือแ่าจะขอยู่เทศฟังเทศสมเด็นทร้านมันก็เคยฟังม่เพราะว่าเขาเข้าใจที่นี่ ท่นเทศขนาดไหนเสียงลั่นโลกธาตุต้องยังไม่เห็นเข้าใจนะคือท่านเทศเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องมโนถุพลกินเรามันไม่มีอะไรที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องทั่นเลยมันมีตะกิเด็เต็มหัวมันมั่นก็ไม่เข้าใจพอดําเนินจิตได้ความสงบได้เท่านั้นแหละที่นี่นะเออฟังเทศนี่โอ้โหฟังเทศท่านนะ มันภั ย, ย, ยระพราะพิงค์อะไรนั่งหนเพลินไปจนกระทั่งลืมไปลําเวลาไม่สนใจนอะไรเลยอืมนักเข้าหนักเข้าไอ้ธรรมะของท่านที่เสียงเป็นผิวเผินผิวเผินนี่สูงสูงนี่จิตของเรามันดิ่งอยู่ข้างล่างปกติท่ า, ทานี้แว่วแว่วแว่วนเวลามันถึงที่มันเต็มที่นะมันมันปล่อยแล้วต่นนั้นที่เรียอาศัยทํามอาแสของธรรมแหละแสของเสียง่ะเสียงของธรรมน่ะ ก็อยู่นั้นจิตจอจอจอแล้วค่อยถอยตัวลงถอยลงตัเหยียดลงเหยียลงไปนี่เสียงนั้นมันมันเหมือนหนึอันนี้มันลงของมันนี่มันก็ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรมันเทศต้องต้โอ้สองสามสี่ชั่วโมงนะอื้ยมันเทศจบตรงแล้วทางนี้ยังมิ่งอยู่บนหัวตอก็มันเทินอยู่นั่นเทินในตัวเอง น, นั่นนิว้วไม้ถึงบอกมันเข้าใจ <c oughs> พอจิตมันมีลาบมีฐานในความสงบตอนนั้น่ทำมาเนี่ยไหลเข้ามาไหลก็มาเข้าใจนี่เพลินเพลิ น, นท่า น, นีา้วันไหนที่ท่านจะไปไประชุมเทศถึงถมันประชุมแล้วมันก็ยิ่งเหมือนจะเหาะจะบินนั่นเป็นอย่างนั้นหัวใจเรานะ่ะฟังนี่มันต่อตลอดเลยนะ่ะยิ่งไปที่อื่นมามนั้นยิ่งนั่งยิ่งเลยเขาจะฟังให้ถึงใจให้เต็มหัวใจ ทีไปสี่ห้าวันกลับมาแนวน่ะมันไปติดปัญหาปัญหาเกิดขึ้นในตัวเองนี่แหละมันไปไม่รอดบางปัญหาบางอย่างมันเหมือนหอกเหมือนเหล่านี่ทิท่มแทงเขนี้ต้องกลับ ม, มาทันพอกับเล่าถวายท่านจบลงภาพที่านใส่เปรี้ยงเดียวเท่านั้นนพังเลยนั่นกลับขึ้นไปนี่โอ้โก็ะหินนั่นหมเสี่ยมหมดหนาม นั่นนี่ผู้าอาจารย์ผู้ลูกยินี่งริงๆท่านใส่พังเดียวนะ่ะไม่ไม่มากอะไรเลยลงพวอเลยอืไม่อยากฟังเพศใครด่ยิ่งทำมาส่วนละเอียดไปแล้วสติปรรัญญาตนุมัติเข้าไปแล้วนั่นนะ่ะมันยิ่งไม่สนใจเราใครเลยนะเพศอะไรมันไม่ถึงใจมันไม่ทันใจ ว่าจรนีๆกล้าพูดเต็มปากเรื่องพ่อแม่ครูอาจารย์มันมันลงงคือมันจำได้ทุกระยะระยะที่เกี่ยวกับท่านอะไรสาคัญสาคั ญ, คญมันจะจำได้ทุกระยะระยะมันไม่เคยลืมถ้าคือท่านซอกแซกซิกแซกท่านขุดท่านค้นขึ้นมาเวลาเทศ น, น์มันฟังนีเน่เพลินเพสติปัญญาของท่านที่ผ่านไปแล้ว ท่านขุดท่านคนท่านขุดท่างคุย ข, ข, ขึ้นมาให้เราฟังตามเหตุตามผลเหมือนกันมันท่านัสติปัญญาเรามันก้าวไม่ออกมันไม่ก้าวหนิเหมือนขาเต่ามันอยู่ในกระดองมาหน่งมันไม่ก้าวออกมาแม้แต่หัวมันก็ไม่โถมาเต่าทั้งตัวอันนี้คือเหมือนเราเหมือนกันใจเรามันอยู่ในกระดองมันไม่ออกเวลาท่าน อธิบายนี่ท่านเปิดเหมือนกับว่าเปิดโลกธาตุเอางั้นเถอะจิตมันก็ได้โผล่โผล่โผล่ออกมาตอนนั้นเลยเพลินเลยท่านจบแล้วยังเสียดายยังยังอะไท่านเทศต่อไปอีกมันปัญญาไม่มีทางออกมันอยู่มันอยู่มัดมันหมดปัญญาเวลาท่านเห็โอ้มันเพลินเพลินของกติปัญญาท่านเป็นท้องฟ้ามหาสมุทรเปรียบเท่งฟ้ามหาสมุทร ไม่มีอะไรมาจีดมาขวางอนอกจากกิเลสอันเดียวเท่านั้นมันจีบของมาใจเมื่อหมดอันนี้แล้วจะอะไรจะมาขวางมานั่นเป็นอวกาศที่พูดถึงวาอาวกาศของกีนของธรรมมันแล้วในหนังสือก็บอกว่าตามหลักธรรมชาติที่มันเป็นของจินนั่นเองไปว่าอะไรหาวติลีมาพูดอะไรมันไม่จริงคนจริงนะที่ศาสนาเป็นของจริงผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติต่อความจริงทำไมจะไม่รู้ความจริงเมื่อรู้แล้วต้องทำไมจะพูดไม่ได้ล่ะมันต้องพูดได้ใช่ไหมนที่ที่กหกที่โกหกเป็นอยา่างนรเนี่ยหมาตินมันคือไม่ยู่บอกมาไี่บอกอมันต้องอย่นี่บอกออยังเงทองมาากยุ่งนะมันหนักจาเป็นได้ยุ่งนี่คือว่าทำไมเสียพอ น, นี่แหมเจ้าท่านพูดตรงนี้ซึงมากคือเดียวนะ พะวินัยก่อนนี่ชาติรูปอะไรต่างกันให้บอาหปะยนีจวัส้าอิ่ยเยีมิียยาปเดีตยมนี่ที่ี่รัเงินและทองเอก็ดีใช้ป่นรั บ, บนนกดีดีในสิ่งที่เขาไว้เพื่อตนก็ดีของนั้นต้องนิสัยที่ต้องเสียสนะจตของต้องปบาทปาจิตยมนีเน่เป็นข้อบัญญัติแรกนั้นในชาตะลู เราดูเป็นข้อแปดด้วยไงลืมฮหในปฏิโมกข้อที่แปดนี้ใช่ไหมชาลูชาตะัุกไปอยูยย่ตาาานน่านะตงกันเทียนวานครับเทียนวยนอยินิสนะิทธ ร, รับ่างกดีใช่ือยนี่เงินอี่างปาริยัง ของนั่นเป็นนิติคีต้องเสียสลันิติคีย่าแปลว่าต้องเสียสละัะปลายเดียรตกเจ้าของเป็นปลายิติเสียสลันทำให้ทํากลางสงุ่นนะไม่ใช่เสียสลันธรรมดาของอันนี้เป็นนิติคีเสียสลันในทั้งกลางสงุ่นนู่นนะฟังดิท่านเอาเด็ดเอกขาดขนาดนั้นนะแล้วสมมุติสงสงสมมุติถ้ารูปใดไปปาเขาปาไม่กําหนดที่ตกถ้ากําหนดที่ตกตากประบาดอีกนู่นนะฟังดินี่เป็นบรญยติข้อแรกเลย เบื้องต้นเลย ม, มัสมจริงกับความรูปลางของีิเดสันหาของพระเรานะไอนี่ต่อมานี่ก็เลยเมตกะเศรษฐีไปไปขออนุญาตพระพุทธเจ้าขอให้ทรงผ่อนผันว่าพระที่มามาบวชนี่มาจากสกุลต่างๆละเอียดละอามากก็มีเช่นเป็นปมาะหากรัสัดเป็นเศรษฐีปุรุมพีอะไรก็แล้วแต่แวความ อยู่การอยู่การจริงการใช้การสอนมีความเดี่มน้ําต่างสูต่างกันมีมากไม่ไม่เหมือนกันเสมอไปเลยินขอรถอยนต์ผ่อนผันให้คนใดคนหนึ่งรับไว้ให้รับกับพิยะหรือเงินนี้ได้ให้คนอื่นรับไม่ให้พรงยิ่งย่ำเขาอีกเอาถ้าอยางั้นก็ให้ยินดีให้คนอื่นรับไวให้ แล้วให้ยินดีในกปิยภพันธ์เท่านั้นนะแต่มายินดีเงินทองที่เขาเก็บไว้เพื่อตอนนี้ไม่พ้านอบานนตัตหนัดฟังดิคือให้ยินดีในกปิยภพันธ์นั้นต่า ง, งหากที่การที่เอาเงินนี่ไปแลกเปลี่ยนมานะให้ยินดีในสิ่งนั้นต่างหานั่นฟังดิสินี่แหละหลักเข้าไปในทแท้เป็นนะต้นมันอยาตที่บัญญัติเบิ่มแรกก็คือชาติรูไปปลายทาง อุกัาทห์ออ้าปวารตอนับเองก็ดีอุกัาทหาปีวาจำปื่นห้นับก็ดีอุปาายยนิชฌตมาชาดีเยียยะหรือยินดีใ น, นเงินในทองที่เขาเก็บว่าคัอต้วงก็ดีนิจคียังนั่นของนั้นต้องเสียสนะไปยินดีเจ้าของเป็นอวบไปยินดีนี่แหละเป็นบัญญัติเบื้องต้นเมนตกรรบัญญัติเมนรกรรยารอนุญาตนี่ก็เลยมันมันเรียวกว่าเป็นเมนตกรรัระเมนกอนุญาตป็นเนกรบัญญัติคือจึงมาแกผ่อนผันใหม่แต่ยังขาดไว้ว่า ให้ยินดีเฉพาะเงินทองเนียน่ยลงเน้นลงตรงนี้นะให้ยินดีเฉพาะสิ่งที่เป็นกับพิยพันธ์ที่ได้เพิ่มเร็จมาจากการได้เปลี่ยนข้องเงิ น, นตะทอนนี้เท่านั้นถ้ายินดีนอกเหนือจากนี้ไปปรับให้พ้นตบัตรเลยตับัาบาตรไหนเะงินี่ย ม, มันยังมีแล้วเมื่อเร็วๆนี้ก็ก็พาก้ากันไม่สักสีห้าวันนี้มั้งพระองค์หนึ่งอายุห้าสิบกว่า 1, องค์หนึ่งเจ็ดสิบยั่ไหนยืมเงินกันห้าร้อยบาท ท่านนี้ขันยืมเแล้วก็ยืมไปเลยเท่าซ่า น, น, นี่กระไรเงินเสียด้เงินก็ขอมาท่วงไลยด้วยแล้เลียเครียดกันห่ากันนะั่นนี่เองอันนี้นี่ทังนี้เงินมันเป็นเรื่องของเล่นเล็ก น, น, น้อยมาอะไรเห็นไหมมันข้ามไปถูกเขาป้นเขาขี่อะไรนี่เป็เรื่องเนี่ยเรื่องเงินอุปเลยาค น, นตัดออกเสียเรื่อ ง, งที่เป็นภัยเป็นเวรเป็นข้อกังวลภายในจิตใจ ของพระออกเหมาะขนาดนั้นนแต่วันก็คว้ามาเผาหวมจนได้เนอะพระมันเป็นพระเทวทัตหรวไงไม่พระดุศิตสถานคตนพระเทวทัตไม่ได้กลัวครูกลัวอาจารย์โอ้ทาไมจมาเจ็บเป็นท่องแมผมกินเหยื่อหื้งเมื่นีเป็นซ่องเป็นแ่นไม่เหมือนเป็นมัตต์ใบใบเหมือนจางเลกินไม่ผิดหอกเนซองอืมอันนี้เลือกันนะเก็บมื